พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งร้อยลำดับที่8ปดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ย2่ธันวาคม2559ห้าอห้ามีชื่อเรื่องว่าลองลิ้มรสความสงบวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสอง ทันวาคมพุทธศักราช2559เมื่อเช้าก็เป็นวันพระที่พวกเราได้ปฏิบัติมาอย่างทุกวันที่เป็นวันพระแต่ตอนเย็นนี้พวกเราก็ได้มารวมมารวมกันไหว้พระสวดมนต์เจริญพระคาถาของพระพุทธเจ้า เพื่อเป็นชิิเป็นมงคลพวกเราได้มาเจ็ดวันพอไรมาร่วมมารวมกันสาธยายในการสวดมนต์ไหว้พระเพื่อให้เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกลุ่มถ้าหาว่าพวกเราต่างคนต่างธรรมการสวดสาธยายก็รู้สึกว่าจะไม่เข้ากันอันนี้เราเพื่อ สวดมนต์สายยาสายายก็เพื่อเป็นการเชิดชูบูชาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พวกเราได้ทำสวดมนต์จบลงแล้วนะต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสัมโมธนิจกถาคงจะไม่กล่าวนานวันนี้ ถ้าไม่มีการกล่าวการพูดกันเฉลยก็รู้สิกว่มันจะเหืออเหือดแห้งหายไปเรื่อยๆวันท่านหลวงพ่อจะงนมาพูดมากล่าวทั้งตอนเช้าด้วยตอนเช้าทุกวันมีแนวความคิดไหนที่หลวงพ่อคิดได้ที่จะให้พวกเราได้รับรู้รับทราบ เ, เป็นแนวประดับสติปัญญา ของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อก็ได้เอาคาพูดหรือแนวระลึกไดยนั้นมาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ดินได้ยินได้ฟังถ้าว่าพวกเราได้ยินได้ฟังหลายครั้งต่อหลายหนเรื่องราวต่างๆพวกเราคงจะแนวเป็นแนวความคิดนาไปใช้ประยุกใช้ให้เกิดประโยชน์สาหรับพวกเรา ไปอยู่นสถานที่ใดก็จะเอาตัวรอดได้เพราะเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแต่ว่าพวกเราไม่ได้ยินไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินจากครูบาอาจารย์พวกเรากคงจะสติปัญญาจุดนี้คงจะมีสวนดอยลงไปเหมือนกันนะหลวงพ่อว่าเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมองเห็นว่าควรจะให้แนวความคิด สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ว่าการให้แนวความคิดจุดนี้หลวงพ่อเองก็มั่นใจว่าหลวงพ่อไม่ได้ขาดตกบกพร่องให้ธรรมะระดับขั้นเบื้องต้นจนถึงสูงสุดนะทำไมหลวงพ่อให้ธรรมะขั้นสูงสุดอย่างนั้นใช่ไหมอันนี้หลวงพ่อก็เคยกล่าวเคยพูดมาบอกว่าสถานีวิทยุ เสียงธรรมขององค์หลวงตาที่ท่านได้แสดงธรรมทุกวีทุกวันทุกเวลาตลอดยีสี่ชั่วโมงตอนกลางวันก็มีครูบาอาจารย์ลหลายๆท่านแสดงความคิดเห็นเทศธนาว่าการก็สลับกันแต่ละองค์มีองค์หลวงตาบ้างแต่พอตกกลางคืนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไปจนถึงตีห้า อันนี้ก็เป็นธรรมเทศนาของหลวงตาเพียวๆเลยที่ท่านแสดงแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวสำหรับผู้ปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาจะดำเนินยังไงผมเองที่อยู่กับองค์หลวงตาก็ได้ยินได้ฟังธรรมะนี่แหละที่ท่านเปิดให้ฟังทุกวันนี่แหละไม่ได้นอกเหนือจากนี้แต่ก็ที่ได้อยู่กับท่านก็เป็นการลกเวียงระวัง อันนั้นอีกส่วนหนึ่ง เ, เพราะตรงตาเนี่ยเราก็ได้ยินกิตติศัพท์ชื่อเสียงของท่านโด่งดังไปทางดุด่ า, าว่ากล่าวถ้าพระเนนองไหนไม่อยู่ในกรอบไม่อยู่ในกฎกติกาหรือว่าออกนอกลูก่นอกทางที่ท่านมองเห็นแล้วไม่อยู่ในหลักจรยิยธรรมที่ดี หลวงตาท่านก็จะอดุดาว่ากล่าวเป็นที่รู้กันว่าหลวงตาเนี่ยหมาโบนิดอุอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่เราได้อยู่แต่ทั้งยังไงก็ตามธรรมเทศนาที่ท่านได้แนะนำบอกกล่าวที่ท่านนายโอวาดภาพรวมนั่นก็คือนี่ยที่ท่านเทศแสดงธรรมเทศนาในกลางคืนน่ เพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านผมเองไม่อยากไม่คําว่าไม่ควรให้ฟังมากเพราะว่าการฟังธรรมเทศนาในครั้งพุทธกาลท่านไม่ได้ถือว่าถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นอย่างอื่นท่านว่าถือว่าเป็นภาคปฏิบัติเ อ, อเป็นภาคปฏิบัติจิตภาวนาอันหนึ่งเพราะในครั้งพุทธเจ้า ท้าหว่าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วพระองค์จะแสดงธรรมทุกวันตอนเย็นแล้วก็ตอนบ่ายอีกต่างหากเมื่อการนั้นมาถึงและพระสงฆ์เข้าไปศึกษาแล้วไปไต่ถามหรือว่าถามปัญหาพระองค์ก็จะแสดงธรรมหรือเทศให้ฟังและกลางคืนกลางกลางคืนพระองค์ก็แสดงธรรมให้พุทธบริษัทได้ยินได้ฟัง ตอนหัวขาบตอนดึกขึ้นมากเทศอบรมพระสงฆ์ภิกษุณีให้ธรรมะเมื่อท่านเทศนาว่าการจบลงแต่ละครั้งผู้ดได้ยินได้ฟังในบริเวณนั้นในสถานที่แห่งนั้นท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอย่างน้อยทศทายญาติวงศถึงพระไตรสารณคมเชื่อมั่น ในพระธรรมในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดเป็นสารณะเป็นที่พึ่งถึงอดถึงพระไตรสาระคมแต่มากกว่านั้นก็มีศีลห้ารักษาศีลห้าเลวกรรมโมโบทสิบกายกรรมสามวจีกรรมสีมโนกรรมสามไปในทางที่ถูกต้องอันนั้นคือว่าได้สำเร็จพระโสดาบัน จะมากกว่านั้นคือพระสัคขาคาอนาคาอรหันตในที่สุดมีมากต่อมากในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นการได้ยินได้ฟังเราจะไปมองข้ามว่าการได้ยินได้ฟังนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งลําคาญหรือว่าไม่ใช่ทางหรือว่าพูดมากจนถึงค น, คนอื่นลําคาญแต่ตามไม่จริงถ้าว่าท่านพูดเป็นศีลเป็นธรรมเราฟัง เข้าไปแล้วลำคานะ น, นะปวด ก, กิเลสภายในใจของเราเนี่ยหนานแน่นจนเกินไปจนทำ เ, เจาะเข้าไม่ถึงด่านกิเลสของเราเนี่ยปกป้องออจนธรรมะเข้าไม่ไม่ถึงจิตใจของพวกเราพวกเราต้องคิดอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราฟังน้อมจิตไปตามสิ่งที่ได้ยินได้ฟังเมื่อท่านพูดเรื่องอะไร เราก็นำฟังแล้วก็กันกรองไตรตรองตามที่เราได้ยินได้ฟังฟังครั้งนี้ฟังครั้งต่อไปหลายครั้งต่อหลายหนเราก็เข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพุท ธ, ธะอย่างลึกซึ้งถึงใจนี่แหละอันนี้มันต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังทั้งทั้งนั้นแหละเพราะนั้นพวกเราพวกทุกท่านที่หลุ่นพี่เอา วิทยุที่เรามีอยู่แล้วนะเอาไปเอาให้ไม่ได้เอาให้อย่างอื่นแต่ผู้ใดก็ตามนะเอาไปแล้วไปฟังเพลงฟังลัมอันนั้นไม่ถูกวัตถุประสงค์ถ้าว่าผมได้ยินผมรู้นะผมจะไม่พอใจเลยอาจจะไล่หนีออกจากวัดได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะผิดวัตถุประสงค์เพราะเราอยู่ทางนอกเราก็ได้ยินได้ฟัง ร้องรำทำเพลงจนเบื่อมันได้อะไรท่านได้ก็ได้แต่ความบันเทิงได้แต่ทุกโศกนั่นะเรามาหนีออกมาจากจุดนั้นแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่เรามาเพื่อชาระกิเลสสิ่งที่ไหนที่มันไม่ดีในจิตในใจของเราเราจะได้ฟังฟังแล้วก็นำมาทำทำคาสอนมาปรับปรุงกายว า, ายใจใจของเราให้คิดไปในทางสัมมาทิฏฐิ คิดไปในทางที่ดีทําไปในทางที่ดีพูดไปในทางที่ดีถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังแนวแถวของครูบาอาจารย์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าสัมมาทิฏฐินะั่นคือจุดไหนสัมมาทิฏฐิผลให้ส่ก็ไปตามที่ตัวเองต้องการตัวเองอยากจะพูดอะไรอยากจะทําอะไรขณะดนั้นถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิแต่ตามไม่จริงเป็นมิตรสาธิฐิมากโตมากเพราะอะไร พราะตัวเองมีตะกิเลดกิเลดเป็นผู้พาพานำพ า, นะาก่้เลดมันไม่ใช่ว่าจะพาไปามรรคผลในพานนะกิเลดมันจะพาตกไปทางต่ำตกนะโล ก, มกหมกไหมไปเลือกไปทางกิเลดตันหาร า, าคาโลภโกรดหลงไปทางนั้นแหละกิเลดที่จะให้ปล่อยวางปล่อยวางเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้น จากอาสวะกิเลสมันไม่ใช่อย่างงานหันใจของเราเลยถ้าว่าจะไปทางสูงแล้วจะไปทางละกิเลสแล้วมันเหมือนกับปีนเขาถ้าว่ามันไปทางต่ำนั้นนะมอนกับวิ่งลงเขาลักษณะนั้นถึงจะไม่วิ่งมันก็นไหลลงไปตามตามที่มันไหลไปเพราะมันต่าไปทางต่ำนี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆกท่านพระลูกหลานทุกองนะ ให้ใส่ใจสนใจในการประพฤติปฏิบัติถ้าว่าพวกเราใส่ใจสนใจแล้วนั่นละความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในจิตใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจสนใจร้อนใจนะจะว่ามีความสุขนะถึงจะอยู่ในวัดเงียบสงบก็เถอะอากาศเย็นขนาดไหนก็เถอะใจมันร้อนนะเพราะใจกิเลสเพราะนั้นให มุ่งมั่นตั้งใจจริงตั้งจิตอธิษฐานให้จริงจังตั้งจิตอธิษฐานเลยนะเอาเถอะวันนี้วันแปดค่ำหรือว่าวันไหนก็เถอะเราอดอาหารเราไม่ฉันอาหารวันนี้เราจะตั้งจิตอธิษฐานเราจะดูใจของเราไม่ให้ใจของเราออกไปข้างนอกเลยวันนี้อ พอตื่นขึ้นมาเราก็ตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นเลยจะไม่ให้จิตใจเผลอออกไปข้างนอกจะให้อยู่กับพุทธโธเท่านั้นบังคับเลยทดลองดูสิมันเป็นยังไงเราจะรู้ได้ว่าการบวชเข้ามานี่มันหนักหนายยังไงเบายัางไงหนักยังไงเราจะรู้ได้ไม่ใช่ว่าเราอยู่ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาเป็นวันๆล้วก็มาได้ทําการนึงทำงานอะไรโอ้พระไม่ได้มีอะไร อยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทางอยู่ลิดเดนด้านไปแเทะวันหารู้ไม่ว่าเนยะทางเรื่องจิตตภาวนาเนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะถ้าว่าเราบังคับเราถ้าบังคับตัวเองอย่างไม่อยู่นะอย่าไปคิดว่ามันง่ายทีนี้อย่าไปคิดว่าบวดเข้ามาแล้วมันง่ายถ้าภาวนาจิตใจสงบนั่นละ่ะจะเห็นผลพอเห็นผลก็รู้สึกทันทีแล้วอื้อใช่ การบวชเข้ามาเนี่ยมีประโยชน์มีความสุขกายสุขใจจริงๆอย่างนี้หนอ น, ะนี่แหละเราจะได้สัมผัสทำคำสอนของพระพุทธเจ้าขึ้นมาอีกแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลย เ, ยเข้ามาเนี่ยมันจะ ด, ดูถูก ด, ด, ดูถูกพระนะดูถูกพระพุทธศาสนานะดูถูกพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะดูถูกหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้านะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติตามอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจุดหมายปลายทางคือพระกรรมฐานอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยมีจุดหมายอะไรมีจุดประสงค์อะไรมาอยู่เพื่อเด่นด้านเด่ น, ด, นด้า น, านอยู่กินเป็นวันวัน อ, อย่างนั้นแข็นแกร่งใช่ไหมทำการทํางานเป็นมรรยยันใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นงานภายนอกก็คือเป็นงานคลั่งค่าวงานโยธาเพราะการอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีการงาน จะต้องช่วยกันรับผิดชอบในเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในวัดของเราแต่จุดประสงค์ของเราน่ก็คือเรื่องจิตตภาวนาทำจิตใจให้สงบ เ, เมื่อจิตใจสงบแล้วได้อะไรนั่นแหละอันนั้นต้องศึกษาไปเรื่อยๆท น, นสมสถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นยังไงความสุขทางด้านจิตใจที่จิตใจมีความร่มเย็นเป็นสุขได้ยังไงเอาไปใช้ทั้งโลกได้ไหมได้ ถ้าจิตใจของเราติดใจสงบเยือกเย็นแล้วนะเอาไปใช้ทางโลกมันได้ทั้งหมดมองโลกก็มองอีกแบบหนึ่งมองธรรมก็มองอีกแบบหนึ่งมันใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดถ้าจิตใจของเราอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวอยู่กับคุณธรรมสินและธรรมจริยธรรมใครเข้ามาก็มีเหตุมีผลเยือกเย็นไปหมดอยู่กับพ่อคับแม่ก็มี เหตุมีผลอยู่ในครอบครัวลูกหลานสามีภรรยาอยู่ที่ไหนไหนมีเหตุมีผลทั้งนั้นไม่เดือดไม่ร้อนเพราะเหตอลายเพราะการจะทําอะไรออกไปมันออกไปจากใจทั้งหมดถ้าใจของเราได้รับได้รับการอบรมใจของเรามีศีลมีธรรมนั่นแหละเราก็จะได้รับทําอะไรออกไปก็จะมีเหตุมีผลในในเรื่อง ที่จะแสดงออกไปพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะตีบวชมาทั้งทีทั้งอยู่ในเป็นอุบาจิกามาปฏิบัติธรรมก็ตามหรือพระสงฆ์ที่เขามาบวชก็ตามเราต้องมีหนักมีหนักมีเบานะไม่ใช่ว่าเราจะอยู่เออละเหยลอยลมไปแต่ละวันละวันแต่ละเวลาไม่ใช่นะอถือว่าท่านหนักบ่อยๆก็ได้ก็ดี จะหนักไปแต่มันหนักเกินไปเราก็ต้องพอยปลอยคลานปล่อนคลายลงไปบ้างฮ แ, แต่ถึงยจงไงก็ตามนี่จุดมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายของเราต้องทําจิตใจให้สงบให้ได้ในเมื่อเราได้รับความสงบจิตใจของเราได้รับได้รับความสงบน่ะเพียงครั้งเดียวเราจะจําไม่ลืมตลอดนานเท่านานทีเดียวเลยนี่แหละ อยากใช้พวกเราทุกๆท่านจะทําจิตให้สงบนั้นทําอย่างไร่ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมากโตมากให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอริยาบททั้งยืนทั้งเดินทั้งนัง่งทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นเต่าเถอะที่มาเรามาอยู่มาฉันจังหันตอนเช้ากับหมู่พวกเพื่อนมันรักษาได้ยากเพราะเหตุไรพอมีหมูมีเพื่อนมีหมูมีคณะแต่เมื่อเรา ฉันพอสมควรแล้วเราอดอาหารดูสิเราเถอะเราจะอดอาหารตามธรรพังตั้งจิตอธิษฐานเลยทียนี้ข้าพเจ้าจะให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับตนเองการก้าวไปที่ไหนให้มีสติสติคือระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวรู้ตัวทุกในการก้าวเดินอจะไปที่ไหนไหนมีสติอยู่กับตัวเองเหมือนกับเฝ้าบ้านอยู่ตลอด สมาธิคือการเฝ้าบ้านนะถ้าว่าขาดสติขึ้นไปแปลว่าไม่ได้เฝ้าบ้านเออละเหยคิดไปที่ไหนก็ไม่รู้ผลในสุดไก่มาขี้หมามาขี้ใส่ก็ไม่รู้เรื่องเล่าอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่รู้เพราะอะไเพราะเราขาดสติไงเพราะนั้นเราต้องพยายามดูสิ บ, บังคับดูสิถ้าบังคับเอาสติอยู่กับตัวเองได้แล้วนะ่ะ ถ้าจิตได้รับความสงบเยือกเย็นลงไปแล้วนะนัน่นนะนัตถิสันติปรังสุ ข, ขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจากนั้นเราก็เดินเข้าเข้ากระแสธรรมละทีแล้วกระแสธรรมะคือสมาธิจากนั้นก็รู้ได้ด้วยตนเองเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบแล้วโดดเด่นในตัวของเราเราจะเห็นได้ว่าเออตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญ ร่างกายตายแล้วสูญแน่ๆเพราะมันตายแล้วไปเผาไฟทิ้งแต่ตัวนามธรรมา ท, ที่เราภาวนาเนี่ยตัวจิตจิตใจใจเนี่ยตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยคือมโนหรือ ว, ว่าใจดวงนี้นะตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆไม่ต้องถามใครเลยทมันเห็นด้วยตนเองชัดๆเจนเลยท่านี่นี่แหละอันนี้แหละคือภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะต้องเอาจริงจัง ในการภาวนาในการประพฤติปฏิบัติจากนั้นเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนะเราจึงควรนํามาพิจารณาทางวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือวิปัสสน์ ก, ก่อนนะต้องนึกคิดก่อนนะก่อนจะเป็นวิปัสสนาในเมื่อเรานึกคิดเห็นตามความเป็นจริงไม่ใช่มันหลอกตนเองเหรืนะมันหลอกได้ยังไงตายจริงๆ ในร่างกายก็มีกระดูกจริงๆมีหนังจริงๆมีตับมีปอดมีลำไส้จริงๆมีเลือดมีเนื้อจริงๆมันจะโกหกเหร อ, อมีแต่ตัวกิเลสนะไม่อยากจะให้ดูนะแต่เมื่อเราดูแล้วเราจะเห็นได้ชัดในร่างกายของเราเห็นตามความเป็นจริงนะในเมื่อเห็นตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่ของจิรังถาวร น, นะอีกสักวันหนึ่งนะเห็นไหมคนแก่ เห็นไม้คนเจ็บเห็นไม้คนตายเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเลยรเอเนี่ยอันนี้แหละคือวิปัสนาถ้าว่าเราจิตใจผ่านความสงบแล้วเนะี่ยเมื่อพิจารณาทางวิปัสนาะก็จะเป็นปัญญานะเกิดปัญญาอลไรทเนี่เออจิตใจมันน่งดูตลอดเลยเธอนี่ อ, อจากนั้นก็เห็นความเกิดความเสื่อมผลทัศน์ก็เห็นมองตัวเอง ตายลงไปเมื่อตายลงไปแล้วขนาดร่างกายของเราเองก็ยังตายเราจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราได้อย่างไงสิ่งภายนอกมันไม่ใช่ของเรานะขนาดกายร่างกายของเรายังไม่ใช่ของเรานะ เ, เงินคำทรัพสมบัติพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงญาติโกโหติกาจะเป็นของเราได้อย่างไรนะใจ ใจของเราเมื่อผ่านความสงบแล้วเป็นสมาธิแล้วนะมันจะยอมรับเลยใช่เป็นของไม่เทียงแท้แน่นอนจริงๆเกิดมาในโลกสมจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าว่าอนันในจางของไม่เทียงสิ่งไหนไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเราเป็นอนัตตาจริงอย่างพุทธะที่ท่านได้ตรัสไว้จริงๆไหม นี่เราจะยอมรับตามขั้นตอนตามขั้นตามตอนไปเรื่อยๆจนถึงจิตใจไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางนั่นแหละมันจะไปตามขั้นตอนอย่างนั้นนะพวกเราท่านทั้งหลายนะเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านได้บวชมาทั้งทีอย่างน้อยก็ให้ได้จิตใจได้รับความสงบสักครั้งหนึ่ง เ, เพราะอะไรจึงหลวงพ่อจึงแนะนําอย่างนั้นบอกอย่างนั้น ถ้าว่าพวกเราไม่ได้จิตใจไม่ละได้รับความสงบนี่ยเราจะไม่ได้ริมรถของพระธรรม เ, เข้ามาก็จริงอยู่ได้เข้ามาแล้วก็ได้ฟังอัดฟังธรรมได้เข้ามาอยู่ในภพตาศาสนาเหมือนกับอยู่ในเข้ามาในร่มศาลาหลังนี่แหละฝนตกแดดออก เ, ออเราก็ได้รับความสะดวกเพราะอะไรเพราะ เ, เรามั่นใจพอเราอยู่ในร่ม อันนี้ก็เหมือนกันเราเข้ามาในอยู่ในร่มเงาผ้ากาสาวพัดร่มเงาของพระพุทธศาสนาก็ได้รับความสุขแต่เมื่อเราทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเราจะได้ริมรถริมรถของพระธรรมเหมือ น, นเราเข้าไปอยู่ในใต้ลมมะม่วงตรงมะม่วงเหมือนไตรต้มเงาของพระพุทธศาสนาเมื่อได้ริมรถ มะม่วงด้วยโอ้โหมะม่วงอันนี้มันรสดีจริงๆเลิศรสจริงๆ เ, เพอหลักของพุทธศาสนาเลิศรส เ, เลิศรสนะรสของพุทธะพระธรรมคำสอนน เ, เมื่อเราได้ลิ้มรสพระธรรมเท่านั้นะถึงจะไปเป็นฆรวาสญาติโยมเราก็มีไฟในการประพฤติปฏิบัติไฟในการศึกษาไฟที่จะต้อง นำมาประพุติปฏิบัติเมื่อเราตกทุกข์ได้ยากอย่างไรประสบความเดือดร้อนทางด้านจิตใจอย่างไรใจของเราจะวิ่งเข้ามาหาสมาธิทันทีเลยสงบจิตสงบใจวางจิตวางใจเราได้เพราะเราเคยได้ทําสมาธิมาก่อนแล้วนะอตัวนี้เราเราจะเป็นที่พึ่งของเรานานเท่านานทีเดียวเลยทอเพราะอะไรเพราะเรารู้จักที่หลบ ที่เหล็กไม่แบกทีเดียวแต่ถ้าว่าเราไม่เคยภาวนาทําจิตใจให้สงบพอมันเจอของหนัหนกๆเข้าไปนะเป็นบ้าเป็นบอนใไในง่ายๆนะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จะวางไม่ตะแบกกับแบกไมีกระทุกกับทุกอยู่อย่างเดียวออ <c oughs> <c oughs> ถ้าว่าคนที่ภาวนาแล้วทําจิตใจให้สงบแล้วพอภาวนาเข้าไปมันทุกข์ขึ้นมาเอ้ยเราก็ได้พิจรารณาแล้วเนะี่ย ขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราของคนอื่นพี่น้องถึงจะรักขนาดไหนก็เถอะมันจะเป็นของเราได้ยังไงขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราจะไปแบกให้โง่ทำไมใจมันก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจอีกเหมือนกันถึงจะรักจริงอยู่แต่ก็มันก็รักกับพร้อมที่จะรับรู้รับทราบ พ, พร้อมที่จะปล่อยวางในจิตในใจสนลึ ก, ลก มันจะไม่เป็นบ้าเป็นบอไม่ไม่จะไม่คิดหนักจนทุก อ, อกทุกใจร้องไห้ทั้งวีทั้งวันมันไม่จะไม่เป็นอย่างนั้นขนาดร่างกายตัวเองกอจะทิ้งอยู่แล้วจะไปรักคนอื่นได้ยังไงก็รักก็จริงอยู่ท่านมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีเราก็ควรให้ความรักเคารพนับถือเลื่อมใสท่านแต่เอาเถอะเราจะไปทุกข์กับท่านท่านไปไหนก็ไม่รู้ท่านตบประกอบคุณงามความดีของท่านจนพอแรงท่านมีความสุขของท่านแล้ว เ อ, อเราน่ยเป็นใครมีความสุขหรื อ, อยังอุ่นใจหรื อ, อยังเพียงพอหรื อ, อยัง อ, อต้องถามย้อนเข้ามาหาตัวเองเท่ น, นัน่นแหละหลักทำคําสอนท่านให้โอปะนัจโกนะวันนี้ขอให้พวกพระหลูกผู้หลานศรัทธาญาโยมทุกคนนะนี่แหละวิธีการภาวนาวิธีการปฏิบัติน่ะมันไม่ใช่อื่นใครคือให้ดูตนเองมองตนเองนั่นนะปล่อยวางที่ใจรับรู้ รับรู้ในใจแล้วก็ปล่อยวางที่ใจอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษอันไหนเป็นประโยชน์อันไหนไม่เป็นประโยชน์มันจะรู้ในใจของเราเอวันนี้หลวงพ่อพูดเพียงแค่นี้ก่อนนะตอนนี้ไปเปิดเทปเอมพีสามฟังอีกสักรอบหนึ่งนะแล้วก็ผู้ใดฟังอยากจะฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตาก็ให้เปิด ฟังได้พระนองหลวงพ่อไม่ได้เปิดเทพลงตาให้ฟังนะเพราะให้หลายพอ พ, พวกเราสถานีวิทยุของเราเปิดอยู่แล้วนะพวกเราจะฟังได้ไม่ฟังตามไม่จริงพวกเราต้องฟังพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหลวงพ่อบอกพวกเราต้องฟังพวกเราจะได้สติได้ปัญญาได้แนวความคิดจากพระธรรมคำสอนขององค์หลวงตานะเอาเปิดเอนะ็พีสามนั่งสมาธินะพวกเรานะ